Yeah. Mm -hmm.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 อ่อนอ่อนได้ง่ายนะเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับไม้หลักปักที่เลนนั่นนะเอาแนวนอนไม่ได้นะคนยุคนี้เนี่ยถึงแม้จะมีความรู้มีความคิดมีความก้าวหน้านะในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียังไงมันก็ยังทิ้งนิสัยนะอย่าง ที่พูดมานี่ไม่ได้ก็เคยมีการทดลองกับคนประมาณสัก 30-40 คนเป็นการทดลองง่ายๆเขาฉายภาพให้ดูเส้น3เส้นเสร็จแล้วก็มีเส้นที่4มาคำถามง่ายๆคือว่าเส้นใดใน3เส้นเนี่ยที่มันมีความยาวขนาดเท่ากับเส้นที่สี่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 เส้นไหนเนี่ยหนึ่งใน3เส้นนะ่ะที่มันขนาดเท่ากับเส้นที่4หน้าม้าก็แก้งตอบผิดนะถามนาม้าคนที่สองคนที่2ก็ตอบผิดอีกถามคนที่3ามคนที่4ี่นะประมาณตั้งสามสคนนะก็นัดหมายพร้อมกันให้ตอบผิดนะแต่ว่าคนที่อยู่ในการทดลองเนะี่ยเขาไม่รู้นะว่าสามสี่คนแรกนี่คือหน้ามา้า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 คนที่5คนที่6ก็คล้อยตามหรือเควะรา ว, ว่าส่วนใหญ่ตอบผิดนะตอบผิดมันมีแค่ 25% ที่ตอบถูกคือถ้าไม่มีหน้ามา4คนแรกเนี่ยนะก็คิดว่า 100% ตอบถูกหมดนะแต่พอมี4คนแรกพูดตอบไปอีกทางหนึ่งมันก็ชักจูงให้คนที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยคล้อยตาม อันนี้การทดลองนี้ก็เชื่อว่าคนเหานี้ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนความรู้จบปริญญาตรีปริญญาโทป ร, ริญญาเอกบางทีก็คล้อยตามง่ายนะใจเนี่ยคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายทั้งทั้งที่เดิมก็มีความคิดของตัวเองอยู่แล้วแต่พอคนหลายคนเขาพูดอีกต่ออีกทางนึงก็ใจก็คล้อยตาม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 แค่คนคนเดียวก็คล้อยตามก็กลายเป็นว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยนะตอบผิดนะทั้งๆที่เพิ่งเห็นเหตุการณ์เมื่อไม่ถึง5นาทีก็เห็นว่ามันสีแดงนะแต่พอมีคนมาบอกว่าสีเขียวนี่ก็คล้อยตามตใจคนเรานี่ถึงบอกว่ามันจะว่าไปก็เหมือนกับไม้หลักปักขี้เลนนะคือคล้อยตามถูกชักจูงได้ง่าย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 ถ้าเราปล่อยใจเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็คงหาความสุขได้ยากและที่สำคัญคือว่าในหัวเราเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่คอยหลอกล่อใจนะท่านติดนัดทันท่านบอกว่าในหัวเราเนี่ยมันมีสถานีวิทยุ NST นะสถานีวิทยุ NST แปลว่า nonstop thinking ก็คือคิดไม่หยุดนะคิดไม่หยุดก็คือว่ามันมีเสียงออกมาอยู่เรื่อยนะสถานีวิทยุนี้มัน มัน ส, ส, ามานะส่งเสียงออกมาอยู่เรื่อยนะส่งเสียงมาในหัวเราถาจาใจมันคล้อยตามนะคล้อยตามเสียงนั้นสุดแท้แต่ว่ามันจะคิดเรื่องอะไรใจก็ไปเลยแม้แต่ในยามหลับนะไอสถานยุทธิวัุนนี่ก็ไม่หยุดนะก็ส่งเสียงกระจายเสียงสารพัดใจก็ไปด้วยขนาดหลับแล้วก็ยังฝันคล้อยตามนะความคิดต่างๆที่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 บางทีตัวละครตัวอิชานิโพมาบนเวทีก็เอาน้ำเอาขวดน้ำคว้างก็มีเอาไข่เน่าป้าก็มีไม่ว่าจะในวิกวิกลิเกรหรือว่าเวทีละครมันก็มีคนแบบนี้นะคือมันคล้อยตามจริงว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีหรือบนวิกลิเกนี่เป็นของจริงนะแต่ถ้าว่าเราอ่ามีสตินี่นะมันก็จะ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 เกิดไปทุกเวลาทุกนาทีใครมาชวนคุยใจมันก็ไม่สนใจจะคุยด้วยมันก็จะไปจ่ออยู่ตรงกับคนที่เราเกลียดซึ่งอยู่ในห้องซึ่งบาที่ก็อยู่ไกลเนี่ยอันนี้ก็เป็นความยึดติดแบบหนึ่งเหมือนกันนะความกลัวก็เหมือนกันกลัวอะไรเนี่ยใจก็จะนึกถึงสิ่งที่กลัวกลัวตุ๊กแกกลัวผีมันก็จะความคิดก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละ มันก็เป็นการติดอีกแบบนึ่งนะติดบ่วงอันนี้เพราะว่าใจที่โอนอ่อนง่ายเนี่ยไม่ว่าโอนอ่อนไปหาสิ่งที่เพลินนสิ่งที่ให้ความสุขมันก็ติดนะหรือว่าอยากจะผลักไสสิ่งที่ทำให้ทุกข์มันก็เกิดการคล้องขัดขึ้นมาติดขัดขึ้นมาทำให้ไม่อิสระ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 เรารู้จักมันดีขึ้นเราก็หลงเชื่อมันน้อยลงเราก็จะโอนอ่อนคล้อยตามมันน้อยลงแต่ก่อนมันโผลมาทีไรคล้อยตามมาทุกทีหลงเชื่อมันทุกทีแต่พอมันเกิดขึ้นบ่อยหรือเจอมันบ่อยบ่อ ย, อ ย, อยเนี่ยนะเรารู้จักมันดีขึ้นพูดแบบภาษาธรรมะคือว่าเรา จ, จดจำสภาวะอารมณ์ได้จดจำได้ว่า ไอ้ความโกรธนี่มันมีสภาวะอาการแบบนี้นะความเกลียดมีสภาวะแบบนี้ความเบื่อนะความง่วงมีสภาวะแบบนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะรว่ความฟุ้งซ่านนี่ที่มันทําให้เราหลงเนี่ยนะมันมีอาการแบบนี้เราเจอบ่อยๆเราก็ฉลาดขึ้นเหมือนกับว่ามีคนมาหลอกเราทีแรกก็หลอกสําเร็จนะ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 ต่อว่าดาทอมกระทบหูก่อนนี้โปรดได้อันนี้ก็คือว่ามันไม่มีตัวตนนะอารมณ์พวกนี้มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยนั้นถ้าเรามันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็จะเห็นความจริงที่มันแสดงตัวกมาผ่านอารมณ์และความคิดเหล่านี้ถึงแม้มันจะเป็นนิวรณก็ตามนะถึงแม้มันจะเป็นนิวรณมันเกิดขึ้นแต่ก่อนจะเกิดขึ้นทีไรเราเสร็จมันทุกที แต่ครั้นี้พอมันเกิดขึ้นที่ไรโอ้เราได้ปัญญาเพราะเราเห็นสัจธรรมนะเห็นความจริงจากไอ้นิวร์เหล่านั้นจากกิเลสเหล่านั้นก็กลายว่ามันทำให้เราฉลาดขึ้นเพราะฉะนั้นะอย่าไปอย่าไปกลัวอย่าไปรังเกียจมันนะเพราะว่ามันมีประโยชน์อยู่เหมือนกันแต่ว่าไปนะั่นไงไอ้พวกนิวร์หรืออารมณ์ความสิ่งครอมงาำเหล่านี้นเนี่ยเห ม, มือนกับถังนะถังใหญ่ๆที่มัน ครอบเราไว้เวลามันเกิดขึ้นที่ไรมันครอบงำจิตเวลามันครองครอบงำจิตที่ไรนี่เราหลงเราเป็นทุกข์นึกภาพนะถังจะเป็นหม้อใหญ่ๆ ห, หรือว่าถังถังน้ํามันเนี่ยนะถ้ามันครอบเรานะเราก็มืดเราก็หลงเราก็อึดอัดนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีสติใจมันก็คล้อยตามยอมให้ถังนี้มาครอบได้แต่พอเรามีสติมีปรรยยนะัญญาเราออกจากถังนะ